การเก็บฟังรอบช่วงนีไ้ไว้ทุกไม่รู้เราเข้าใจว่ายัครับว่าไว้ทุกที่แล้วสมิธกองไวทุกเป็สีดํานั่นเป็นธรรมะที่สอนให้พวกเร า, ราคนเราเวลามีชีวิตอยู่ไม่รู้จกักคํำว่าทุกแม้ทั้งตายไปทั้งมีกฎกติการะเบียบทรรงเนียมเป็นปฏิบัติเราว่าอย่าไพูดถึงคํำว่าทุกเลยเพราะคำว่าทุก เ, เป็นสิ่งที่เราําเกลียดไม่อยากได้ยินขำโหดเลยเพราะเวลามันตาย ส่วนผิวขารควบถึงภาวะทุก์ได้อย่างสนิทใจโดยที่ไม่รัง เ, งเกียดหรืเรเรอเอาไว้ถุกแต่ก็ถึงกุศศาสนาเรียกว่าตรองประเด็นเป็นประเด็นนี้ที่เจ้าสอนก็สอนเรื่องทุกข์ทุกคืนหนึ่งในแรกคือสัจจทุกข์ ทุกนั้นมันเป็นผลไม่ใช่เหตุถ้าเป็นต้นไม้ก็เป็นผลไม้มันไม่ใช่เหตุแต่ที่เรารู้บุครลนั้คือผลนะเราจะชีแ้แจงว่า น, นี้คือผลแต่ว่าเหตุคืออะไรคือต้นตอก็คือต้นไม้ถ้าไม่มีต้นไม้ก็ไม่มีผลไม้เราดูปลายทางาว่ามันสืทุกเหตุแห่งทุกคืออะไรรากงอกของทุกคืออะไรเราจะกำจัดทุกคนนี้ได้อย่างไร เราจะการจัดทุกได้ก็ต้องกำจัดที่ต้นต่อและกำจัดที่ผลไม้ซึ่งเป็นผลของมันเพราะฉะนั้นการกระทําของเราทุกอย่างมันมีผลทุกอย่างมีเป็นผลการกระทำนั้นเองคือต้นต่อของความทุกข์การกระทำของใครกว่าการกระทําของเราการกระทำอน่างไรจึงเรียกว่ากันส่วนผลไม้เป็นผลของกันแต่เราก็อยากไปเข้าใจว่าผลนะั้นอย่างเช่น ออกมาแล้วเป็นอย่าง น, นั้นคือไปแก้กังคือแก้ผลเพรามันมันแก้ไม่ได้มันออกดอกออกผลไปแล้วมันแก้ไม่ได้แต่จะแก้ก็แค่ที่แก่ที่ตน้นถ้าต้นดีผลมันดีแต่คนส่วนใจเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องปกติเปเรื่องธรรมดาเวลาเราจะกินผลไม้เราก็ไปตลาดเราไม่าถามาดว่าอผลไม้มาจากไหนก็มาจากต้องจะมีสักกี่คนกินผลไม้อะไรก็ได้อร่อยแล้วนึกถึงต้นมันแล้วคิดที่จะปลูก ปลูกต้นมันมไปตลาดเจอมะม่งวงอร่อยเราเคยคิดบ่างไหมว่าเราจะปลูกต้นมะม่งวงตรงที่มันอร่อยสักต้นหนึ่งข้อต่อไปต้องไปซื้อน้อยคนที่จะคิดเราคิดได้แต่ผลของมันเหมือนกันการกระทําของคนของมนมุษยดในช่วงวันกันเราไปนไดถึงผลของมันแต่ว่าต้นต่อ าการกระทำเนี่ยคือเราไม่คิดจะไปแก้การมันก็นแก้ทิผลของมันมันแก้ไม่ได้มันออกเป็นพิ درج อ, ออกผลเปรี้ยวหวานมันจะออกอกไปมันก็เป็นธรรมชาติของมันแล้วเป็นผลิตผลเป็นผลงานออกมาแลว้วถ้าจะแก้ก็แก้ที่ต้นต้นเหตุคืออะไรเหตุผลสองคำเนี่ยมันคล้องจองกันแต่ผู้แจ้งสอนอัดสอนผนก่นอนเกิดทุกข์ โดยเฉพาคือเหทางทุกข์และก็เป็นทางดับทุกข์วิธีปฏิบัติทห่เป็นความดับทุกข์คือแค่ทุกข์นี้เอทั้งระบบในชีวิตของมนเราในชีวิตประจำวันเราก็เห็นอยู่แล้วทุกเรื่องอยู่ที่ตัวเราทั้งหมดทุกไม่ได้อยู่กลายตัวอยู่ในตัวเราหนับใจหัวกโชดเท้าเท้ดหัวตรงไหนจะมันไม่เป็นทุกข์ดูส่วนหัวที่เป็นรูปธรรมเห็นได้ถูกตองบาดสะพัดไ ด, ได้เห็นที่ตาเนื้อตาหนังธรรมดาตาหูจมูก ปามันเป็นต้นตอของต้นไม้แดดจีบเป็นอย่างไรตาเห็นรูปเป็นยังไงชอบไม่ชอบนั่นคือต้นตอแต่ตัวที่ชอบจริงๆตัวที่ต้นตอต่อไปไม่ถึงก็เหมือนกับผลไม้ต้นตอของมันคืออะไรคือใจแต่ไม่เข้าถึงใจตาเห็นรูปเกิดแค่ชอบไม่ชอบแต่ตัวที่ชอบมันไม่เกี่ยวกับตาเลไม่เกี่ยวกับรูปไม่เกี่ยวกับใจใช่ไหมหูมังกลาไว้สงข้าง มันเอาไว้ฟังเสียงแค่นอื่นมันกับเรดารา์เอาไว้จับแต่ตัวที่บอกว่าเสียงดีเสียงไม่ดีมันไม่เก่กับหูเลยมันอยู่ที่ใจแต่เราไปแก้ที่หูจ ม, มูกก็เหมือนกันมันเกี่ยวกับลมหายใจถ้าพอถ้าไม่มีลมมันก็แค่รู้สองข้างหลอกเป็นวัดเกิดอะไรขึ้นจ ม, มูกมอนตมมันจมูกหายใจไมสะดวกเราเกิเริ่มรู้แล้วเกิดก็เป็นทุกข์แล้วเริ่มทีนี้รู้จักทุกทุกหายใจลาบากอาจจะเรืร่องไ สติก็จะหาตัวเองนะปามันมีไว้ให้พูดมีไว้ให้เปล่นมีไว้ให้ออกเสียงส่วนจะเป็นเสียงอะไรแล้วแต่สัญญาคือความจำความจำได้หมายรูนะ้มันก็พูดไปต า, ามภาษาของมันแต่ตัวสำคัญต้น ต, อนต่อเกิใจแต่ว่ามนุษ์ส่วนใหญ่ไม่ใช่างนั้นอยู่แค่้แค่หูตาจมกูกเล่นกายไม่เข้าถึงใจ เพราะนใจจงเป็นต้นต่อของทุกอย่างอย่าไปโทษตาอย่าไปโทษหูอย่าไปโทษต า, า, า, ตาเพราะสิ่งหลานี้เป็นเครื่องไม้เครื่องมือเป็นผลของมันไม่ใช่ต้นต่อ โทษตาไม่ได้ตาเม่เห็นมันก็รู้ไปตามมันรู้ว่าผู้หญิงผู้ชายรู้ว่าดีมัก็เห็นสีแดงเขาบอกว่าสีแดงมันไม่รู้จักหรอแต่ตัวที่รู้จักเป็นอะไรผู้ใจถ้าตาบอดที่เกิดอะไรขึ้นมันก็มองไม่เห็นโอ้โหหัวมันจมีหัเฉยๆมันไม่ได้ยินปากมันเป็นใบเขาพูดอะไรไปได้ไหมแต่บางคนที่สื่อสารได้ที่ใจมันจินตนาการเอาเนื้อเอเรียกว่ามัดโน แต่ละคนตามบอกแต่คนตาเต็มดีก็ยังมโนได้มโนว่าอย่างนั้นมโนว่ามโนก็คือใจนั่นเองคือจินตนาการคิดเอาเองพูดเองคิดเองสรุปเองตัดสินใจเองอันนี้คือธรรมชาติของคนทั่วๆไปของมนุษย์ที่ไม่รู้จักต้นสายปลายเองไม่รู้จักที่มาท้่ไปเพราะฉะนั้นทุกเกิดขึ้นกับเรา เราไม่รู้จักพยายามที่จะแก้พยายามที่จะดับแต่วัตถินที่แค่ที่นั้ดับนั้นไม่ใช่ตัวเราเองอยากไปแค่ที่คนอื่นหูฟังเสียงเสียงไม่ดีเป็นโกรตาเห็ลูกมันชอบหรือไม่ชอบกเปิดโกรูร่างฐานะมันไม่เกี่ยวเลยตาไม่เกี่ยวหูไม่เกี่ยวเกี่ยวที่ใจประจัยมันรับได้รับไม่ได้ถ้าใจไม่เคยฝึกมันก็จะเป็นอยู่อย่างนี้เป็นธรรมชาติของมันเหมือนกันหมดไม่ต่างกันเลย ถ้าใจไม่เคยฝึกไม่เคยหัดเคยปฏิบัติไม่เคยฝืนเรียกว่าขัดใจเราก็จะตามใจตลอดมันคิดอะไรก็ตามเห็ น, นอะไรก็ตามฟังอะไรก็ตามเป็นผู้ตามตลอดนึกดีๆเป็นผู้ตามไม่ได้เป็นผู้นํมนมนามันมันตามมันนำไปไหนเราก็ตามตลอดเราก็เลยไม่ทําเพราะเราเป็นผู้ตามเดินตามไป ต, ตามทุกเรื่องตามต า, มตามอมูอจิโก เราไม่เคยเดินนาหน้าไมุเคเรินมหน้ไม่เคยเป็นผู้นําสิ่งที่พระเจ้าสอนเราเพียงพยัยามอยู่เสมอคือจำไว้เสมอว่าอยู่ในตัวเราเพราะฉะนั้นถ้าจะแก้แก้ที่ตัวเราอย่าไปแก้คนอื่นจะไปแก้ตาคนอื่นแก้ไปแก้จจโมคนอื่นแก้ไปแก้ปากคนอื่นแก้หูคนอื่นมันแก้ผิดไปแก้แก้ในตัวเราถ้าแก้ในตัวต้องคือใจใจของเรา เป็นต้นต่อทุกอย่างมันออกมาจากนี้ทีนี้ที่เราไม่เคยฝึกไม่เคยหันไม่เคยปฏิบัติไม่เคยดูใจไม่เคยรู้จักใจของตนเองยากตอนเกิดเป็นร้อยปีมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะฉนจิตที่ไม่เคยฝึกไม่เคยหันไม่เคยปฏิบัติเกิดเกลเจ็บตาอยู่เกิดเป็นร้อยปีหาความดีไม่ได้ไม่รู้จักใจไม่เข้าถึงใจเรือว่าไม่เข้าใจไม่มีสิ่งดีๆอยู่ในใจเลย มันอันตรายเพราะฉะนั้นเราล้มหายตายจากคือจากโลกปนี้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าตาก็ไม่ได้หูก็่งไม่ได้ปากพึ่งไม่ได้แล้วหรือแต่ใจอย่างเดียววิญญาณที่รับรู้คือใจมันเลยแต่ใจทั้งที่ไปกายมันไมไปด้วยสิ่งอื่นนอกเลยสิ่งของนอกกายที่นก็ไปอีดสักสิ่งเงินทองปัจจัยสี่ที่หามาทั้งหมดเอาไว้ไม่ได้สักอย่างที่เราหามาทั้งชีวิต แล้วของหวงแหนกันเรือยเกินหามาก็เก็บไม่ใชหามากินเก็บอย่างเดียวมีเป็นศิษย์เป็นลูกเป็นพันเสร็จแล้วก็ไปมืปลา่ามามือเปลา่ากลับมือเปลา่าเนี่ยความที่ไม่เฉลาดเพราะฉะนั้นในขณะที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนเป็พวปฏิบัติเราก็้ห้เข้าใจว่าดรื่งโลกเรื่องธรรมกลางวันกลางคืนมันสอนเราอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาดรื่งเมืองเรื่องสาว่างเนี่ยคือตลอดเวลาขาดใดที่ มันมีแสงสว่างเกินในใจคือไม่มีธรรมะใจกงมืดเหมือนกันคืนตอนนี้เมื่อเปิดไฟปั๊บมันก็แสงสว่างขจัดความมืดทั้งๆที่มันก็มืดวันตอนกางคืนตอนนี้กลนคืนธรรมชาติธรรมะคือมืดอาจะมันแสงดับแสงสว่างเกิดขึ้นได้ก็เพราะว่าไเปิดไฟปั๊บมันก็ขจัดความมืดะมัคมองเห็นซึ่งกันและกันได้ก็คือปกติทั่วไปเหมือนกันถ้าใจร่มมืดใจร่มบอด มองไม่เห็นอะไรเลยที่อยู่ในใจที่มันสุกส่อนอยู่ในใจที่เราพยายามเก็บมาตลอดชีวิตทั้งดีและไม่ดีอยู่นในใจพอใจไม่พอใจมันอยู่ในใจตลอดตลอดเวลาา น, นการสอนในโคตของในหลวมในครั้งนี้เราลองนึกหนึ่งเป็นกรณีศึกษาทำไมผู้คนอยู่ระโภนึกถึงพระองค์มีไม่กี่คนในโลกนี้ที่ล้มหายตาจากกุทศาสนาบรรพันเรา มีผู้คนรู้สึกถึงเยอะแยะมากมาคนแรกที่เป็นบุคคลเราเริถ่ถึงไม่ที่สุดก็คือพระเจ้องก็คือประพุทธเจ้าตั้งไปสองพันกว่าปีมาแล้วเรายังรู้สึกถึงลองเียกบาบนะว่าเพราะอะไรทั้งๆใ้บุคคลในโลกสองพันกว่าปีมาแล้วมีประชากรมาดูกี่ร้อยขี่พันล้านคนมีไม่กี่คนที่เป็นแบบอยางเป็นต้นฉบับของพวกเรา ในดวงก็หนึ่งในนั้นในยุคของเราเป็นทุนนาำทางกิจบางอย่างเมื่อเรารู้อยู่ในโอราจโก่เราเรยรยโโพยายามสิ่งที่ท่านเหล่านั้นทำท่านพยายามได้ถ่ายทอดความรู้สึกหรือปฏิบัตินั้นสู่เราพวกเราโดยพ่อที่คือพ่อแม่ครอาจารย์เป็นประบัติธรรมอย่างาดีด้วยพแม่ครูอาจารย์เราเรามาดูใ น, นสารเราซ้ายขวาชี่เรามองเห็นเดียงล่ท่านก็ไปหมดแล้วเป็นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่เหลือ อ, อีกก็ไม่ได้มาก ที่ทำทำได้อย่างนี้เป็นต้นแบบเป็นต้นฉบับอย่างนี้ไม่ไม่มากน้อยลงนับวันน้อยลงน้อลงต่อไปคนที่เชื่อฟังพระก็ย <c ari> <c ari> ิ่งน้อยลงต่อไปก็ปฏิบัติกันเองสิห้าสิแปดตั้งสัมนกขึ้นมาสอนตั้งตัวนผู้วิเศษเข็นรู้นั่นนี่นู่นเยอะๆก็มีเยอะแยะมากมายไม่เปพระแล้วเราเป็นผู้นํานําอะไรก็ไม่รู้ ความเป็นพระนี่มันไม่ใช่ธรรมดาพระกี่บอกสมอว่าความเป็นพระนั้นมันไม่ใช่แค่สัเลักงละคือผ้าเหลืองหัวโล้นๆเหลอเป็นพระพวกเราทุกคนที่อยู่ที่นี่เป็นพระได้อุบาสกอุบาสิกาที่เป็นพระที่เรากล่าวว่าพระโดยสมมติส่วนพระที่หนึ่งพระที่เราพูดถึงนี่คือใจถ้าใจเราเป็นพระใจมันไม่มีเพล มัไม่มีเพศชายมีมเพศหญิงอยู่พู้หเราเรียบผู้หญิงอยู่ผู้ชายก็อจริงๆโดยตั้งเดิมเดี๋ยวเขาไม่ได้มีเพศนะเพราะฉะนั้นคำพระพระจรึงไม่ได้เลือกเพศอันนี้ความมาจากจความยินใจของาศาสนาเราไม่เหมือนาศาสนาอื่นเราใช้คําว่าพระได้เพราะว่าพระแปลว่าผูปรร้ประเสริฐประเสริฐอะไรประเสริฐกายประเสริฐวาชาประเสริฐใจประเสริฐถ้ากายสมบูรณ์วาชาที่มันจะสมบูรณ์ตรงนี้เป็นผู้เสริฐเป็นพระได้ถ้า เป็นผู้ประเสริฐด้วยสมบูร์ด้วยศีลซึ่งมันก็ไม่ได้เต็มกันศีลไม่ได้บอกว่าอันนี้เป็นศีลของผู้ชายศีลของผู้หญิงไม่มีศีลเดียวกันศีลห้าศีลแปดถ้าใครทําก็เป็นศีลเหมือนกันหมดไม่ได้เลือกศีลห้าของผู้ชายศือห้าผู้หญิงไม่มีนั่ศีลที่บริบูรณ์เบื้องต้นต่อไปสมาธิด้เกิดเหมือนกันไม่ได้เลือกสัตว์วันนะผู้หญิงผู้ชายสูงต่ำต่างค่าวการทําเป็นหมดปัญญาเป็นเรื่องสําคัญที่สุด ตักวันที่เราไม่เข้าถึงปัญญาไม่เข้าถึงปัญญาแปลว่าเห็นทุกอย่างแล้วไม่เกิดปัญญาเห็นสัตว์เห็นเห็นผู้หงก็รู้เป็นผู้หญิงจบแล้วเห็นผู้ชางก็รู้ผู้ชายจบแล้วเราไม่ได้บอกมันไม่บอกให้มันจบถึงสิ้นสุดปัญญามันยัไม่เกิดเพราะนั้นศาสนาของเราไม่ได้สอนที่พื้นไม่ได้สอนธรรมะศีลถือเป็นเรื่องพื้นฐานของชีวิตของมนุษย์สมาธิเป็นระดับกลาง ปัญญาเป็นของสูงสุดแต่เราไปไม่ถึงระดัแต่ศินศินก็รักษาบ้างมไม่รักษาบ้างเจ็วันรักษาท่างยังเป็นตนแต่ก็ยังดีดีกว่าเจวันไม่รู้จักศินเลยอันนี้หนักก็อยู่กันไปอยู่กันตาหูจมูกเลี้ยงใจอยู่กันเหมือนกับผู้คนทั้งหลาย สิ่งเมื่อมีปวามเกข้ออะไรประจุกระตายอย่างรุ่เรืองถึห้าสิบแปดอันนี้คือเบื้องต้นสมาธิเราก็เข้าเจอนั่งหลับหมดตาปฏิบัติก็จาต้องก่อประสบที่ปัญญาก็เช่นเดียวกันจะต้องนั่งรอวนแล้วให้เกิดปัญญาจริงจิงปัญญามันเกิดได้ทุกขณะหลืมตาก็เกิดได้หลับตาเกิดได้ยืนเกิดได้นั่งเกิดเกิดได้นอนก็เกิดได้มันได้ทุกเรียบทมดอย่างนั้นอยู่ที่เราเราใช้ปัญญาดูแล้วมองแล้ว ให้มันเกิดปัญญาคนที่เกิดปัญญาต้องให้เห็นกระบวนการของมันตั้งแต่ต้นจนจบอย่าไปมองอย่างใดอย่างเช่นเวลาเรากินข้าวก็กินทุกวันไม่มีวันไหนที่เราไม่กินข้าวกินน้ํากินทุกวันถามมันกินอะไรได้อะไรจากการกินได้ทางร่างกายคือได้อาหารเป็นอาหารบำรุอยู่แลสุขภาพดูแลร่างกายอิ่มน้ำจนเอิบอิ่มก็ได้ใช่ไหมเราไม่ถามหรอ กนในขณะที่เรากินอยู่นีน่เราจะกินเพื่ออะไรไม่เคยพิจารณาเลยก่อนหน้า น, นั้นอีกนี่นคือปัจจุบันก่อนนั้นคืออดีตก่อนที่เราจะกินอาหารบนจานที่มามันมาอย่างไงอะไรคือที่มาเราก็ไม่ได้คิดที่อยู่ก็ไม่ได้คิดที่ไปก็ไม่ได้คิด mm. คือกระบวนการดับทุกมันไม่มีในชีวิตประจำวันกินในเวลาเกี้ยกินข้าวข้าวข้าเระยะเวลาแล้วเช้ากลางวันเย็นรู้ สามเวละไม่กินไม่ได้ร่างกายอยู่ไม่ได้แต่เราไม่เคยคิดอ๋อว่ากินเข้าไปแล้วเดี๋ยวมันก็ออกมาแต่ว่าพอที่จะกินมันมาจากไหนรู้ใจทั้งบอรสอให้รู้จักที่มารู้จักที่อยู่รู้จักที่ไปนี่คือกระบวนการดับทุกความหิวเป็นทุกอย่างหนึ่งความหิวเป็นรอกอากเด่นผมบาบัดไ ด, ได้การกินจนิ้นกินข้าว หิวน้ำก็กดด้วยการกินกันเข้าไปก่อนเดี๋ยวก็บำบัดเรียกว่ากอดหิวเวทุนั่นเขาเรียกว่าเวทนาที่เรากินเข้าไปเพื่อบำบัดเวทนาไม่ได้กินตัวเองนี้พ่มันนั่นนี่นู่นนั่นเป็ น, นผลผลอยได้แต่แท้ที่จริงคือบําบัดเวทนาคือแก้เวทนาก็คือทุกขเวทนานั่นเองแต่เราไม่รู้ว่ามันเป็นทุกข์ทีนี้เราไม่กินเราเหิวข้าวแล้วไม่กินหรือไม่มีกิน ถึงจะบอกโอมันหิวมันทุกมันต้องด้วยตัวรู้จักทุกขล้วพักกินเข้าไปรับมันก็จะแก้ได้ค่ามหิวมันก็หายไปเดี๋ยวมันก็หิวมันไม่ได้หายไปไหนมันแค่กันเนาะมันแค่ดับไปช่วคราวนี่เรียกว่าดับทุกชั่วคราวเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นการดับทุกข์ทีนี้กินก็กินตามความชอบชอบอะไรก็กินดังนั้นสิ่งที่ไม่ชอบไม่กินเป็นไหมเราเลือกสิ่งที่เราชอบ สิ่งที่เราไม่ชอบเราไม่กินทั้งๆ ท, ที่มันก็เป็นอาหารเหมือนกันมันเป็นอย่างนี้เราจรึงรู้จักสิ่งที่ชอบมากกว่าสิ่งที่เราไม่ชอบทีนี้เรากลับกันบ้างลองฝืนลองทวนกระแสดูอาหารอะไรที่มันชอบ ที่มันยากินให้มันน้อยอะไรที่มันไม่ชอบลองกินให้มันเยอะลองขัดใจมันมั่งลองฝืนใจมามั่งมันจะได้สมดุลของร่างกายของชีวิตแต่เราใหม่อันนี้ตักเข้าไปช้อนหนึ่ไม่กา่คำทานไม่เอาแล้วไม่กินทั้งท้งที่มันก็เป็นอาหารเหมือนกันถึงเราชอบเราไม่ชอบมันก็เป็นอาหารเหมือนกันเพระชีวิตเราจึงไม่แปลกเราจะปรารถนาสิ่งที่เราชอบอยากได้อยากอยากเป็น สิ่งที่เราอยากได้อยากมีอยากเป็นนี่คือต้นตอของความทุกข์ความทุกข์ทั้งมวลมันอยู่แค่นี้อยากได้มันได้ก็แก้กันไปอยากมีมันก็มีมันก็แก้กันได้อยากเป็นแล้วมันไม่ได้เถ้าอยากได้แล้วไม่ได้อยากมีแล้วไม่มีอยากเป็นแล้วไม่เป็นดอกขาดนี่ก็เป็นทุกข์มันอยู่ด้วยกันเหมือนซ้ายกับขวาอยู่ด้วยกันตาซ้ายตาขวาหูซ้ายหขวาใจซ้ายใวอยู่ด้วยกัน ไม่ได้ห่างกันเลยแต่เราไม่มองสิ่งเหล่านี้ในชีวิตมันเมื่อไม่มองก็ไปรว่ากราะบวนการของมันเกิดตั้งแต่เกิดขึ้นตั้งกุดดับไปที่มาที่อยู่ที่ไปมันไม่ครบกระบวนการเราจึงไม่รู้จักกระบวนการดับทุกในชีวิตประจำวันเพราะ เราไปมองเฉพาะอย่างเฉพาะเรื่องไม่เหมาให้มันครบของยั้งอาหารมันต้นสูตรอาหารกินเข้าไปจะเรียกอะไรก็ได้แต่สงสาราสัตว์ของง่ายๆที่เกินเข้าไปกุ้งหอยปูปลาว่ามันไปบุ้งเรียกว่าอาหารเราคน น, านั้นเป็นยังไงอยู่บนจานเป็นยังไงเข้าไปในท้องแล้วเป็นยังไง เป็นยังไงสุขทุกข์มันอยู่ด้วยกันตรงนี้มันไม่ได้แยกเลยสิ่งเดียวกันนั่นแหละเราเอตญาส่าเข้าเป็นโอสะพักไปได้มหมก็เป็นทุกข์เป็นไหมสุขทุกข์อย่างนี้พูดองค์จตว่าถ้าเราเข้าใจในสิ่งเหล่านี้คือกระวการ ใ, ในชีวิตปัจจุบันสามารถที่จะเป็นต้นแบบในทุกเรื่องในการกำจัดทุกข์ของตัวเราเองนา่าจะเรื่องไปว่าเราเอาตัวนี้เป็นต้นแบบอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นกับเราในชีวิตปัจจุบันในทุกเรื่องเระบอกมันมีที่มา มีที่อยู่แล้วก็มีที่ไปก็คือเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นถ้าเราปฏิบัติได้ถึงที่แล้วได้ถึงที่ก็แปลว่าเราเข้าใจระบบอของมันอย่างนีแล้วเหมือนพระแม่ครูบาอาจารย์เราท่านก็อยู่เหมือนกันฉันไม่ใช่ว่าท่านมรู้จักทุกท่านเข้าใจทุกสุขที่เกิดขึ้นท่านเข้าใจกระบวนการของมันแล้วท่านก็ดูแค่ว่าเกิดกับดับเท่านั้นเอง เหมือนพระที่ตั้งขึ้นสุดท้ายดียมันก็ลงประเจนมันก็ดับนี่ดับแล้วเกิดแล้วก็ดับแต่มันเกิดช้าดับช้าเราเราไม่เห็นจริงจริมันเกิดทุกวันดับทุกวันพอทิศลงาระเจนขึ้นนี่ก็เหมือนกันเกิดแล้วมันก็ดั บ, ดบเหมือนกันเกิดดับเกิดดับเหมือนกันพระแม่กวนวจารถท่านก็ดูจิที่มันเกิดสิที่มันดับทุกเรื่อง คำว่าเกิดดับก็คือสิ่งที่มันกระทบใจเราอะไรมากระทบกระทบแล้วเป็นยังไงผลของมันกระทบเป็นยังไงมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือเฉยๆของอะไรท่านก็ดูกันดูการเกิดกระดับเพราะฉะนั้นท่านก็มีเหมือนเราท่านก็เห็นเหมือนเราแต่ท่านไม่เดือดร้อนเพราะว่าท่านเห็นการเกิดระดับทันทียิ่งเร็วเท่าไหร่เกิดเร็วเท่าไหร่ดับเร็วเท่าไหร่ยิบกันดี ถ้าเป็นคนสมมุติเป็นคนเกิดมายังไม่เลือตาแล้วกระดับแล้วเห็นไหมคือตายเองอย่างนี้เรอะเกิดเร็วตายเร็วเหมือนกันอารมณ์ของเรานี่็เหมือนกันถ้ามันเกิดเร็วมันตายเร็วคือเกิดเร็วดับเร็วมันก็จะเป็นปัญหาต่อเราเลยประเด็นคือมันเกิดเร็วแล้วมันดับช้าความโกรธมันเกิดขึ้นเร็วแล้วมันดับช้าเห็นไหมมันเป็นผลทันที ความหายใจมาจริงๆเพราะอะไรเพราะมันคือไฟพอจุดปุ๊บเหมือนไฟเราจุดปุ๊บเราดับเลยไม่เีปัญหาแต่ถ้าจุดแล้วไฟมันลามขยายกว้องออกไปมันเดือดร้อนเหมือนกันเอาความโกรธเป็นตัวอย่างถ้าความโกรธเกิดขึ้นในตัวเราซึ่งมันก็เกิดจากเราดันแหละไม่เกิดจากคนอื่นเกิดได้มันให้ดับดับที่ตัวเรามันจบเลยแต่ถ้าเกิดได้มันไม่ดับไปดับที่คนอื่นลําบากไฟลามละ ไม่ใช่ความโลกนะความโกรธก็หลุดอื่นก็เช่นเดียวกันวันนครูบาอาจารเราท่านก็ดูแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างนี้รู้จักการเกิดการ้งอยู่มันกระดับไปเกิดเดียวกรดเกิดทุกอย่างในโลกนี้มันมีลักษณะเหมือนกันหมดไม่ต่างกันเลยการเกิดขึ้นการอยู่ขระดับไปไม่ต่างกันเลยทีนี้สิ่งเหล่านี้มันก็ไม่เลือกเพศเหมือนกันมันไม่เลือกเพศไม่ได้เลือกบุคคลไม่ได้เลือกเวลาไม่เลือกเลยมันเกิดได้ทุกขณะเกิดได้ทุกเวลา เพราะแคนั้นท่านจึงใช้กคำว่าคำคำนี้ท่านจงจว่าปัจจุบันนธรรมให้ดูที่เป็นปัจจุบันธรรมเท่านั้นให้จิตหรือว่าสติเราอยู่กับปัจจุบันนธรรมอย่าไให้มาจิตอยู่กับอดีตอยู่กับอนาคตถ้าอย่างนั้นผิดตัดใช้สีวิตแบบผิดผิดอยู่กับอดีตหมาย ว, ว, ว, ว่ามันจมอยู่กับอดีตมันหาไปแล้วเหมือนอาหารอาหารเมื่อวานนี่อร่อยอร่อยแต่นั้นมันจบไปแล้วนะ มันเป็นเมื่อวานแล้วนะพรุ่งนี้จะกินอะไรจะไปร้านไหนดีนอร่อยยังไม่มาถึงนะยังไม่เกิดขึ้นแต่เส่งที่ปฏจบันอยากอะไรอยากก๋วยเตีเ๋ยวขนมกีนแกงโหกินได้ทันทีแล้วเป็นปัจจุบันรู้รสชาติปัจจุบันถ้ามีเราชีวิตอยู่โดย อาศัยหลักธรรมกรรมสอนโอโหที่เป็นปัจจุบันถ้าเราจะเห็นการเกิดการดับที่เป็นปัจจุบันเคือเห็นปัญหาของปัจจุบันเไปเห็นกปัญหาของอดีตเห็นปัญหาของอนาคตมันช่วยอะไรไม่ได้มันทําอะไรไม่ได้เพราะมันผ่านไปแล้วมันยังไม่เกิดขึ้นจึงไม่มีประโยชน์ชิดได้แต่มันดับไม่ได้แต่ถ้าเปัจจุบันมันดับได้หน้ามนานมันเมื่อยแก้โดยการลุกกันเปลี่ยนเออมันแกได้แต่เมื่อวานนั่งสองชั่วโมงปวดแข้งปวดขา ก็พูดได้แต่นั้นเป็นเมื่อวานไปแล้วให้เรามีชีวิตอยู่หรือมีสติอยู่กับปัจจุบันนั้นการปฏิบัติธรรมที่้ต้องได้สุดๆอยู่กับปัจจุบันอะไรมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปให้ดูปัจจุบันจึงพูดเสมอว่าอะไรเกิดขึ้นให้รับรู้ตั้งอยู่ให้พิจารณาแล้ทุกอย่างมันก็จะดับเอืนโดยอัตโนมัติเพราะไม่มีสิ่งไหนที่เกิดแล้วไม่ดับไม่ว่าจะเป็นความโลภความโกรธความหลงไม่มีเลย เหมือนกับคนเป็นคนตายไม่มีใครเป็นแล้วไม่ตายไม่มีใครเกิดแล้วไม่ตายไม่มีใครเกิดแล้วไม่ดับเหมือนกันอารมณ์ตัวอย่างนี้เกิดขึ้นกับเรามันไม่อยู่ตลอดกับตลอดกันเกิดขึ้นมันก็ดับแต่ที่มันไม่ดับเพราะว่าเราไปผสมโลงกับมันไปอยู่กับมันแล้วไปเจรยกอดีตก็ตามเรื่องอนาคตกระามเพราะฉะนั้นอดีตอนาคตเราเรื่องต่างเราจะอยู่กับอดีตหรือจะอยู่กับอนาคตหรือจะอยู่กับปัจจุบัน มันเคยพูดเมว่าปิดอดีตกั้นอนาคตกำหนดปัจจุบันก็คือปิดก็คือจะไปสนใจเรื่องอดีตกั้นก็คืออย่าไปเข้าไปความดังกำหนดปัจจุบันคืออะไรที่มันเกิดขึ้นที่เป็นปัจจุบันลมหายใจพุทโธอยู่จนมาใจเปื่อยๆถ้ามันหายไปก็ดึงกลับมาก็คือบริการใหม่สุรลมหายใจครั้งใหม่ตั้งใหม่มันตั้งได้มันได่เสียเวลาเลยเหมือนตั้งอื่นๆเลยว่าสตาร์ทหรือตั้งต้นใหม่ได้ทุกเวลา เ่อเงาเนอนกำหนดใหม่สูดลมหายใจเข้าไปดีทึบนะฮะลมก็หาตัวเมันก็จะรู้ตัวพอลมมันอ่อนอ่อนลงอ่อนลงมันจะลมเสถีมันก็จะน้อยลงมันก็จะเลืมตัวมันก็ได้พักผ่อนไดจิตเข้าผ่อนเขาเป็นอย่างนี้อถ้าไปลืมก็ไปนะมันจะไม่ไม่กำหนดออนทางกายก็ไม่รู้ว่าเหมือนคนนอนหลับมันจะไม่ออกมาทางกายคือทำตาทาำหูจะงงหรือง่ายมันดูที่ใจอย่างเดียวเวลาคนนอนหลับเหมือนผู้นอนตัว เดี๋ยพักเดี่ยวกับบ้านช่องน้องหอเดี๋ยวจะหลับเรียกว่าหลับก็คือสติไม่อยู่กับข้างนอกคือกายแต่มันอยู่ข้างในข้างในนั่นเองคือใจใจมันไม่เคยดับไม่เคยหลับกายแล้วมันหลับใจไม่เคยหลับเดี๋ยวกายมันไม่ทํางานใจนันเไปเที่ยวต่อละเที่ยวต่อก็แล้วมันคิดอะไรมันจะออกมาเป็นภาพแต่ว่าภาพนั้นมันไม่ออกมา มันออกทางใจจรเรียกว่ามโนภาพคือภาพทางใจเราเรียกง่ายๆว่าฝันเราฝันเห็นนั่นเห็นนั้นก็แปลใจเราคิดปุ๊บมันก็จินตนาการมันออกมาเป็นความฝันไปตามสัญญารูปเวทนาสัญญาทั้งการวิญญาณมันทําหน้าที่ของมันตลอดเวลาเพราะนั้นถ้าเราไม่เข้าใจหลักการอย่างนี้ไม่มีทางเลยที่เราจะเข้าใจคําว่าทุกข์ เมื่อไม่าใจคำว่าทุกข์หรือกระบวนการของทุกคืนที่มาที่อยู่ที่ไปขวันยิ่งไม่มีทางอยู่นานกระนั้นไม่มีทางคำว่ามีทางก็คือมันไม่เกิดปัญญาปิญญานปัญญาเบอทั้งหลายได้ใช้หลักพิจารณาหลักปฏิบัติอย่างนี้ในชีวิตยามวันทุกข์เจามีอยู่อย่างน้อยถ้าเรามันดับไม่ได้ก็เราก็รู้ทันในวันที่เอือราบทันเอือรับทุกนะ กระการเป็นอย่างนี้ฉันรู้ละมันเกิดขึ้นอย่างนี้คือมันมาคือมีที่มาอย่างนี้มีที่อยู่มีที่ไปอย่างนี้จะก็พยายามให้รู้จักที่มาที่อยู่ที่ไปพยายามสุดท้ายใจเราก็จะเห็นการเกิดการดับการเกิดการดับเท่านั้นเองทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกทนั้นตั้งอยู่ทุกเท่านั้นที่ดับไปอื่นใดในโลกนี้ไม่มีเลย ไม่มเลยน่าเกิดทุกอะไรเกิดขึ้นน่าเกิดทุกขอะไรตั้งอยู่น่าเกิดทุกขมีอะไรตันั้นช่วงที่เราเข้าเรียกว่าไว้ทุกข์ในขณะก็ให้เราเข้าใจคําว่าทุกข์เป็นอย่างนี้มันมีทุกขณะมันมีทุกเรื่องทุกขณะสอนมนุษย์ทุกข้นสอนมนุษย์ให้คนดีสุขนั้นสอนคนให้เป็นคนไม่ดีคนเห็นแต่ตัวเห็นแค่ได้แล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรแตะว่าดั้งเดิมจริงคือต้นตอนจริงคือทุกข์สุขก็คือทุกข์นั่นเอง แต่ว่าสุขมันอยู่ในทุกนั้นมันทุกมันน้อยมันสบายสุขะคืสบายมันสบายมากกว่าใจนี่มันก็อยู่มันก็เป็นทุกอยู่นั้นแหะมันไม่มีสุขอะไรล้วนๆเลยไม่มีมันก็เจือปนอยู่นั้นเพราะว่าสุขมากกว่าเราชอบมากกว่าใจเราก็อยู่กับสุขแต่ลืมทุกทั้งทุกติมันเป็นวิญญาณส่วนพระพุทธเจ้าสอนเรื่องทุกอย่างเดียวนะไม่ได้สอนใหเรามปนสุขใช้ภาษาสอสุขเพราะฉะนั้นเวลาเราพ้น จากสิ่งมนันนี้ฉันก็ใช้กำว่าพ้นทุกข์ไม่ได้บอกวาพ้นสุขเลยนะเราเข้าใจผิดต้องตั้งใจใหม่คิดใหม่หาตั้งตนหาทีใหม่จะไปสลายหาความสุขไปเลยมันไม่มีไม่ได้ความทุกข์ส่วนจะเรียกว่าทุกข์มากทุกข์น้อยเท่านั้นเองถ้าเราตั้งต้นอย่างนี้นเออจริงๆแล้วมันไอ้ที่ว่าสุขสุ ข, ลสขลลลเลยมันสุขหลอกๆเฉยๆไม่อูจริงให้เราคิดใหม่ว่าเออมันมันไม่ได้สุขหรอกมันทุกข์น้อย ทุกมื่อให้ทุกมากตัวเองพราะนั้นทุกเท่านั้นจะได้แก้ปัญหาต้องเข้าใจเรื่องทุกถ้าใครใจสุขก็มีทางส่วนก็จะเพิ่มเลยลืมเผลอประมาทไม่มีสติตายเ่าการเงิเดียวตแนั้นก็ขอฝากมากสิ่งเหล่านี้ในช่วงโดยวัยนี้ช่วงเวลานี้ยถือเป็นโอกาที่ดีที่จะโอกระยุกโก้คือน้องก็หาตัวเองหาความดีให้ตัวเยอะก็หาทางหตายจมูกลิ้นกายใจนี่แหละ ไม่หาได้อื่นหรอกแค่นี้วัสดุอุปกรณ์เครือไม้เครงมือมันก็มีแค่นี้ไม่ต้อไปหาอะไรเลยการทําบุญทำศาสนานทำบนที่ดีที่สุดแต่บนที่สุดได้บนเยอะที่สุดไม่ต้องลงทุนลงรองใดเลยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เรามีอยู่อยู่แล้วในรูปร่างกายของเราให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดเราก็จะได้รับประโยชน์เมื่อเรารับประโยชน์แล้วคนอื่นก็ได้ประโยชน์มันพราแม่กว่าลานเรา ท่านทำปรยชน์สูงสุดเพื่อตัวเองเกิดขึ้นแล้วท่านก็เป็นประโยชน์เป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างทำให้นค น, นนึกถึงได้กราบได้ว่าได้บูชาซึ่งบุรุษก็ทัาทีทำได้เรียกว่าเป็นพระได้ก็คือรักษากายรักษาใ จ, จความที่เองในชีวิตประจำวันและให้เพลิดหย่าประมามีสติอยู่ตลอดเวลามีสติให้ลงมากที่สุดท่านมีอะไรกันนึกถึงครูบาอาจารย์ เร่องถึงพระพุทธเจ้าเร่ถึงประทานเรงถึงประสงค์เอามาขู่ไว้ในชีวิตวรัค์ไ่งั้นมันจะเผลอมันจะลืมมันประมาทนะนึประวัติขึ้นค ว, วามเปิดผ่าความประมาทในเองเปบเสมือนคนคมตายเหมือนกับคนตายเหมือนกัคนบ ค, ยยงงคนนอนหลับพูดยังยงคนนอนหลับมั น, นมีรประโยชน์อะไรเหมือนกับคนตายนั่นแหละแต่เพื่ะยังมีลมหายใจนั่นเองลมหายใจหมดไปม่คือตายนั่นเอมันไม่ต่างกันนั้ น, นอยากเรหอยู่โดยมีสติ และปัญญาคนที่จะมีจิตปัญญานั้นต้องแสวงหาต้องค้นคว้าต้องเข้าใจหลักในการดับทุกในทีวอย่าแล้วเราก็จะเป็นผู้ทุกน้อยไม่มีทุกเลยเป็นไปไม่ได้นอกจากพ้นจากสิ่งเหล่านี้คือพระอริยะแล้วเท่านั้นจึงจะพ้นจากสิ่งเหลนี้คือยูเหนือสิ่งเหล่านี้ก็แปลว่าใจของท่านยูเหนื้อสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้มันก็มีอยู่ในโลกนี้แหละ เป็นกลับเป็นกลางมาแล้วเขาก็อยู่กันอย่างนี้แล้ววันกลางคืนมันก็มีอยู่อย่างนี้ยมันไม่ได้ดับไปไหนมันวนไปเยือนมากลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้สุกทุกข์เหมือนกันเดืนไปเยมาเยือนเราทุกวันเราไม่ได้ที่ดูดูการเกิดขึ้นดูกันตั้งอยู่ดูกันดับไปท่านนัเองนั่นคือธรรมะในภาคปฏิบัติในชีวิตประจำวันของพวกเราขอใกเราได้เนชีวิตอยู่แบบนี้ ใช้ชีวิตอยู่อย่างนี้โดยอาศัยหลักทางการสอนของพระพุทธองค์โดยเข้าครูบาอาจารย์เป็นต้นแบบเป็นต้นฉบับเราก็จะมีที่พึ่งที่ที่พึ่งทางใจเหมื่อก่อนเรามีบ้านชั้นห้องหอเป็นที่พึ่งทางกายเป็นที่หลับเป็นที่พึ่งเป็นกันแดดกันฝนกันหนาวมันก็เป็นที่พึ่งทางกายเท่านั้นะแต่ที่พึ่งทางใจเราไม่มีขอให้ตัวเราสร้างที่พึ่งทางใจให้มันเยอะๆเราไม่ที่แล้วเราจะไม่ กัวสิ่งเหล่านี้เราพร้อมที่จะอยู่พร้อมที่จะไปพร้อมที่จะเกิดพร้อมที่จะตายได้ทุกเมือ่อถ้าเราเป็นพร้อมเรามีทราพพร้อมแล้วที่เป็นอริยทรัพย์เราก็พร้อมที่จะอยู่พร้อมที่จะไปส่วนร่างกายสังขารันก็เป็นธรรมดาของมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วไปอย่างนี้ตลอดเวลาเกิดดับตลอดเวลาในวันแต่เราไม่เห็นตังเองประเด็นคือเราไม่เห็นที่เราไม่เห็นก็เพราะว่าเราไม่ดู ไม่ดูไม่พราะเมื่อไม่ดูแล้วมันก็ไม่เห็นไม่เห็นมันก็ไม่เกิดปัญญาคือไม่รู้จักนันเองยังเรียกว่าอักวิชาคือไม่มีวิชาในเรอดนี้ไม่เข้ารู้เรื่องเหล่านี้ขอฝากพวกเราทุกทานสำหรับวันพระวันนี้ประวัติวันพระพวกเราคงอ่านนำไปใช้ไปคิดพิจารณาเพื่อเป็นประโยชน์ทางร่างกายและจิตใจอย่างแท้จริงวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้